พระเท่าไเนวัดรปด่นีาเนเ้นนเพิ m <ề> m, ่มได้ยังไงบ้างล่ะมันสนกลไกที่เราส้าเพิ่มหรือของเก่าะของเก่าวก็ของใหม่ทีะีของเก่าม ของเก่าที่ไหนสองปีแล้วนะแของเก่ามาชั้นธรรมดาว่าห้าสิบของเก่ามากก็เอาออกอันนี้ถูกของเก่ามาก็จะเพิ่มให้เก่ามากใดๆเก้าปีตีปีมาก็เพิ่มได้เท่านั้นไม่ได้นะของเก่าของใหม่ไม่ต้องการกาหนดไว้เท่านี้ปีเท่านี้มีไพ่แล้วรับแล้วเท่านี้แล้วนอกนั้นของเก่าร้อยปีก็ตามปาดออกหมด มีเหตุผลเป็นอย่างนี้นะทำอะไรให้มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่ได้นะทำโลโลเล่ๆไม่ได้นะหลักธรรมพุทธเจ้าก็มีนายพุทธเจ้ามีเหตุมีผลจับตลอดเวลานะเราจะมาปฏิบัติกันแบบโลเลลุเลไม่ได้นะนี่มันเลิกไปแล้วนะเนี่ยเมื่อเอาของเก่ามาอ้างได้ไงของเก่าก็ออกจากวัดไปแล้วนี่ของเก่ามันมันไม่ตี มื่นกี่แสนองของเก่าที่เคยมาอยู่ที่นี่แล้วออกมากของเก่าของเก่ามาก็เต็มวัดไปเลยใช่ไหมของเก่าเอานี่มาไม่มีเหตุผลต้องกำหนดค่าที่อยู่เท่าไหรเท่าไ ร, าไรกำหน ด, ดไปเรียร้อยแล้วของเก่าของไหนก็ตามมารับไม่ได้รับไม่ไ ด, ได้นั่นถึงถูกต้องมีเสียบันสัญญากันมมาตกลงกันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนี่เป็นอันหนึ่ง อยู่มากก็ว่าของเก่าของเก่ามานันใช่ไหมไรไม่มีเหตุผลการปฏิบัติศาสนาเป็นของเล่นมเมือ่อไรเอาไว้นะหันมานีกเออผมก็แก่แล้วยิ่งงานการก็ยุ่งตลอดเวลากับพระ ก, กับเมรนก็ไม่ค่อยอะไรนักนี่ี๋ยวนี้มันก็นเลอะเธอะเลอะเธอะไป เคยเห็นไหมผมเคยมาอยู่แต่ก่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะคนก็มากกคว่าอีเทไรดูที่ น, น่เทศจะเท่เฉ พ, พาะผ้ามันก็ลำมากนะมันเป็นอย่างนี้แหละเราไม่เคยปฏิบัติมาแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จําต้องปฏิบัติเท่กันเลยกระจายไปหมดไม่มีเน้นมีหลักสูุดไหนอจุดไหนแนละ้ว สี่สกำลังส5หนาอันนี้เหมนะือนกันกำลัง 4-5 นาีนี้ตนะัี วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา <c oughs> สำหรับพระถือเป็นกิจจำเป็นมากทางด้านความภาคเพียรเวลาไม่เข้าพรรษาก็ประกอบความภาคเพียรในสถานที่ต่างๆตามอัตยาศัยแต่เวลาเข้าพรรษาส่วนมากจะรวมหมู่รวมคณะเข้ามาจำพรรษา ในจุดใหญ่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนั้นตลอดมาในครั้งพุทธกาลการเข้าพรรษาที่อยู่ในที่แห่งเดียวก็มีหน้าที่การงานเฉพาะความภาคเพียรเท่านั้นไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเจอปนให้เป็นการกังวลและสั่งสมที่เลสขึ้นภายในตัว การประกอบความภาคเพียนในอียบุตรทั้งสี่มีสติเป็นพื้นฐานสําคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อมากเพื่อผลโดยตรงแล้วสติเป็นพื้นฐานตลอดเวลานักปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่ค่อยได้หลักได้เจนโลเลไปสุดท้ายก็เสียไปเสียไปเพราะไม่มีผู้แนะนำสองสอนที่แน่นอน นี่ผมสั่งสอนที่เรียกว่าแน่นอนทอดเอามาจากหัวใจที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งผิดทั้งถูกถือเป็นครูเป็นอาจารย์มาแนะนําสั่งสอนเพื่อนสูงให้ถูกต้องเรียงงามเป็นโดยไถ่เยาวเท่านั้นเพราะผิดพาลาดเราก็เคยผ่านมาแล้วสอนตั้งแต่สิ่งที่ถูกที่ดีประกอบความภาคเพียนคือสาติ การตั้งสตินี้ตั้งแต่พื้นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานถึงขั้นอรหัตตะบุคคลก็มีมหาสติมหาปัญญาติดแนบอยู่ในนั้นยิ่งจึงเรียวกว่ามหาสติมหาปัญญานี่เป็นธรรมสุตรยอดที่จะสังหารกิเลสอวิชชาให้ขาดสิ้นลงไปจากใจมีสติ มหาสติมหาปัญญาเป็นสำคัญ <c oughs> สตินี่เป็นพื้นฐานตั้งแต่ตน้น <c oughs> ผู้ใดตั้งสติได้ดีผู้นั้นความเพียรจะสืบต่อเป็นลำดับลำดาไปการประกอบหน้าที่การงานใดก็ตามไม่จำเป็นไม่ยุ่งมีตั้งแต่ การตั้งสติพินิษ์พิจารณาภาวนาอยู่ภายในจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอใครอยู่ในฐานะใดแห่งการประกอบความภาคเพียรเช่นผู้เริ่มฝึกหัดเบื้องตน้นเราต้องมีคำมกรรมภาวนามากรรมกับจิตเราเพื่อจิตได้ยึดได้เกาะคำมือรมนั้น และคำมกรรมก็ต้องมีสติเข้าควบคุมตลอดเวลานี่เรียกว่าความเพียรที่ชอบทำถ้าขาดสติเสียเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้นสติเป็นพื้นฐานติดต่อสืบเนื่องของงอมเพียรไปโดยลำดับจากผู้ที่ไม่เผลอสติถ้าเผลอสติเมื่อไรความเพียรก็ขาดเมื่อนั้นเมื่อนั้นนี่ให้พากันจำเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลาย การจะยังทำให้เพื่อนฝูงฟังนี้ผมแสดงด้วยความไม่สงสัยในแง่ธรรมต่างๆจนกระทั่งถึงที่สุดได้ผ่านมาหมดโดยสมบูรณ์แล้วหายสงสัยจึงได้นำธรรมที่หายสงสัยและแม่นยำนั้นมาสั่งสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายขอให้ยึดหลักที่สั่งสอนนี้ไปปฏิบัติต่อตนเองด้วยความจริงจังอย่าเลาะแหละ ความครัง้งพุติการที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านเน้นหนักถึงเรื่องการความภาคเพียร น, นี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดพอบวชแล้วก็ไล่เขาอยู่ในป่าในเขาเพื่อบานประกอบความภาคเพียรอยู่ในที่นั่นๆซึ่งเป็นที่สบงบเงียบไม่มีสิ่งบรบกวนการประกอบความเพียรก็สะดวกสบาย เราอยู่ในที่ผูกพลาดด้วยฝูงชนไม่ค่อยเกิดประโยชน์ดีไม่ดีเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวโดยลำดับลำดับถ้าปลีกตัวออกไปสู่สถานที่เช่นนั้นแล้วจะเป็นการบำรุงสติสตังให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นความเพียรทุกด้านก็สืบเนื่องกันไปจิตใจมันจะผาดโผนโจนทยาน เหมือนมาาแข่งก็ไปเถอะกิเลสนี่จะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะชาติเป็นธรรมบใหญ่กั้นกิเลสทั้งหลายได้ไม่ล้นสติไปได้เลยสติเป็นกำแพงอันหนาแน่นกัน้นกิเลสประเภทต่างๆไว้ได้เป็นอย่างดีขออย่าให้เผลอเรื่องเผลอนั่นคือเรื่องของกิเลส มันเคยออกตลอดเวลาท่านว่าอาวิชาปัจยาสร้างขารานคืออวิชานี่แหละหนูให้เกิดสังขารขึ้นมาอาวิชาก็คือตัวสมูทัยที่เละอันใหญ่หลวงสังขาราคือหนูนให้เป็นสังขารขึ้นมาสังขารก็กลายเป็นสมูทยัยนี่หนูนอยากคิดอยากปูมอยากแต่งเรื่องนั่นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ถอยเพราะกิเลสเพราะอวิชา ดันออกมาดันออกมาความคิดความปรุงจึงเป็นทางเดินอันโล่งของกิเลสวิชาสังขารนี่จิตใจเราเรื่องความภาคเพลียนก็ไม่มีทางที่จะออกได้เป็นทางโล่งของกิเลสทั้งวันทั้งคืนคิดปรุงอะไรมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดนีละที่ผู้ประกอบความภาคเปลี่ยนต้านทานความคิดความปรุงนิ้ว ไว้ไม่ได้เห็ุได้ที่นี่เราจะต้านทานความคิดปรุง น, นี้ได้ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งสติให้ดีขอให้สติอยู่กับตัวเถอะคิดความอยากคิดอยากปรุงมันจะ <c oughs> เป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลมาก็ตามเหนือสติไปไม่ได้สติไม่เผลอซะอย่างเดียวมันจะผลักดันออกมาเท่าใดเท่าไหร่ก็เพียงผลักดันออกไปไม่ได้ ถ้าความคิดความปรุงนี้ออกไปเมื่อไรก็เรียกว่าไปกว้านเอาฟืนเอาไฟกลับมาเผาไหม้ตัวเองแล้วออกเรื่อยคว้านเข้ามาเรื่อยเผาไหม้เรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเรื่องของกิเลสอวิชชาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการการักร้นกลางเรื่องอวิชกิเลสอวิชชานี้ต้องอาศัยสติเป็นสําคัญ <c oughs> มันอยากคิดอยากปรุงเมื่ก็ตามไม่ยอมให้ฉิด สติกับคำบุิกรรมให้ติดแนบกันตลอดนี่เป็นเครื่องต้านทานทสังขารที่มันจะออกไม่ให้ออกมีสติกับคำบุิกรรมปิดกั้นช่องมันไว้อยู่ตลอดเวลานี่เวลามันห <c oughs> นักแน่นเขาหนักเข้ามาจริงๆนี่เหมือนอกจะแตกนะคือสังขารมันอยากชิดอยากปรุงดันออกมาดัานออกมาสติ กับคำมือกรรมก็ดันกันไว้ดันกันไว้ไม่ให้ออกที่พูดเหล่านี้ผมได้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมจึงไม่สงสัยในการแนะนำสอสอนเพื่อนฝูงเอาไม่ให้เผลอเลยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ให้เผลอนี่ละ่ะได้คิดอ่านใจ ต, ตรองเรื่องราวที่แนะนมาสอนเป็นเสกแก่หมู่เพื่อนนี้เนื่องจากว่าจิตเหล่านี้เสื่อม จเจริญที่แรกก็แน่นน้ำมั่นคงแต่เราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นก็ไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีรักษาก็เผลอตัวไปบ้างนอนใจไปบ้างทีนี้จิตเวลาได้เสื่อมเสื่อมหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยทั้งๆั ท, งที่เวลาจเจริญนี่จิตนี่แม้เป็นเพียงสมาธิก็เป็นเหมือนภูเขาทั้งลูก มันแน่นหนาะมันคงรู้เด่นอย่างนั้นตลอดเวลาทีนี้เราไม่รู้จักวิธีรักษาแล้วจะทาอะไรอะไรก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาว่างั้นเถ อ, อะมันก็ปล่อยตัวได้ปล่อยตั ว, วพราะจิตก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วพลิกกลับใหม่ไม่ได้เลยพอเริ่มรู้ว่าจิตเข้าสงบได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้น ก็เล่งใหญ่กันเลยจะแก้กันให้ตกแก้ไม่ตกผลสุดท้ายหมดทั้งตัวเหลือแต่อีตาบัวเท่านั้นนี่เคยเป็นมาแล้วให้ตาทั้งหลายจำไว้จิตเสื่อมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพระโคศิกัดท่านฆ่าตัวตายเพราะจิตเสื่อมเข้าท่านเรียกว่าฌานฌานคือความเพ่งเพ่งก็คือเรื่องสมาธินั่นแหละเสื่อมห้าหนหรือนที่หก ทนไม่ไหวแล้วเลยคว้ามีดโกนมาเฉือนคอตัวเองคือความทุกนันแหละชาาเสื่อมสมาธิเสื่อมเมื่อไรมันเป็นทุกแสนสาหัสนะถ้าผู้ยังไม่เคยได้สมาธิมาก่อนเหมือนตาสีตาสาเขาอยู่ตามท้องนาหาอยู่หากินมีเงินติดตัวเก้าบาทสิบาทเขาอยู่ได้สบายนะ แต่เราที่อุตส่าห์พยายามค้นหัวหาเงินมาได้เป็นล้านล้านแต่ไม่รู้จักวิธีรักษาจับจ่ายใช้สอยไปในเหตุต่างๆที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นจ่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายเงินเป็นล้านล้านก็ชิบหายล่มจมลงไปไม่มีอะไรเหลือแม้จะมีเหลืออยู่ในบ้านในเรือนหรือในธนาคารเป็นหมื่นเป็นแสนบาท จิตใจไม่ได้อยู่กับเงินหมื่นบาทแสนบาทในธนาคารเลยมันวิ่งไปอยู่กับเงินเป็นล้านๆที่ร่วมจมไปด้วยเหตุต่างๆนั้นเสียหมดนี่ละที่ทําให้เสียใจอนี่ที่เงินมีตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้เป็นมีความสุขเหมือนตาสีตาสาที่อยู่ในท้องนา น, นั่นเลยนะเพราะจิตมัน <c oughs> ไปหมุนอยู่กับเงินที่หายไปเสียไป อยากได้กับผืนอยากได้กับผืนอยากได้เท่าไรมันก็ไม่ได้ยิ่งเป็นถูกมากทูกมากคือเดียวนี่ละกิจที่เจริญแล้วเสื่อมเป็นความถูกแสนชาติผมได้ผ่านมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีกับห้าเดือนผมไม่ลืมนะเจริญเราพยายามเจริญไปตั้งสติตั้งจนหยุดไม่ถอยแต่ขาดคําบริกรรมตั้งสติจ่ออยู่กับความรู้ความรู้ แล้วมันเผลอไปได้เผลอไปได้นะแล้วก็จ่ออยู่สิบสี่สิบห้าวันจะเลืนขึ้นถึงขั้นแน่นหนามัน่นคงอยู่ได้เพียงสองคืนหรือสามคืนเป็นอย่างมากพยายามดันกันไว้ไม่ให้ลงทีนี้มันเหมือนกลิ้งครอกลงจากจอมปวกนั่นแหละทับหัวเราไปเลยกำลังของ ทุกหนักขนาดไหนหัวเราไม่พอทับหัวเราไปนนโอ้นี่เสื่อมแล้วเต็มเนื้อเต็มเต็มที่เต็มฐานแล้วพยายามไปเอาตปลี่งนข้อขึ้นมาอีกนี่แหละคือความเพียรตั้งสติตั้งอัติโน้นไปได้สิบสี่ิบห้าวันเท่านั้นอยู่ได้เพียงสองสามคืนห้ามอย่างไงก็ไม่อยู่เิล่งตงูม ทับหัวเราไปอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งกับห้าเดือนนี่เนี่ยเพื่อให้เป็นคติตัวอย่างแก่ท่านตั้งหลายที่ภาวนาแล้วให้รักษาให้ดียาให้เสื่อมได้นะนี่เป็นตัวอย่างอันดีคิดดูพระโคติกัดฌานท่านเสื่อมห้านหนหนที่อกคว้ามีโกนมาเฉือนคอตัวเองเลยนี่แล้วพูดยอ่ยอๆซะก่อน ก็พอทนทุกข์ไม่ได้มันทุกข์มากจริงๆเสียดายจิตที่เสื่อมไปแล้วขั้นบำเพ็ญไปก็ขึ้นอย่างว่านะแล้วเสื่อมลงไปเสียเสื่อมลงไปเสียเสื่อมลงไปทีไรกองไฟมาเผาหัวกหา <c oughs> เวลาลมเย็นสบายไม่มีเลยตลอดเวลานี่ท่านเป็นเพียงหกห้าหน ที่ท่านเสื่อมห้าโหนสมาธิเสื่อมหรือว่าฌานเสื่อมในตำราท่านบอกว่าฌานเสื่อมแต่ฌานกับสมาธิฌานก็คือความเพ่งลงเพ่งลงในจุดสมาธินั่นแหละมันพูดกมันก็เป็นใบโพดใช้แทนกันได้อยู่เพรอถึงห้าโหนโหนที่หกนี่ก็เอามีดโกนมาเฉือนคอแต่ท่านมีนิสัยนะอืมีนิสัยวาสนา พอมีเชือดคอเจ้าของเลือดกะฉุดออกมาเท่านั้นะ่ะท่านมองดูเลือดท่านเลยปรุงธรรมสังเวชในนั้นพิจนารณาเลือดตัวเองในขณะนั้นยังไม่ตายพิจนารณาในขณะนั้นเลยบานรูปเป็นบาหานขึ้นมากับกองเลือดของตนนั่นแหละนี่นี่พระโคติกัดไอเหล่านี้ในปีหนึ่งกับห้าเดือนจเจริญแล้วเสริม สายกันขึ้นไปสิบห้าสิบสี่สิบห้าวันแล้วอยู่ได้สองสามคืนเจริญแ ล, แล้วเสื่อมลงไปหมดหมดหมดได้ปีกับห้าเดือนจึงต้องได้มาพินิจพิจารณาอีกดีอย่างหนึ่งคือจิตใจไม่ถอยบึกบึนอยู่เช่นนั้นแล้วก็มาพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผลเราทำความภาคเปลี่ยนนี้ ส4 1 5ี่ิบห้าวันแต่ละครั้งนี้ครั้งนี้แทบเป็นแทบตายขั้นขึ้นไปได้รับความสงบเย็นเพียงสามคืนสองสามคืนเท่า น, นั้นแล้วเอาไฟเผาลงไปตั้งแต่ น, นั่นละ่ะจอมปลวกนั่นล่ะครกยิ่งลงจอมปลวกทะลุถึงที่นี่เป็นเพราะเหตุไรนะเราก็ทํามานี่เป็นเวลานานแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้ ไม่มีเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรเลยนี่อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมติดกับใจของเราก็ได้เป็นแต่เพียงกําหนดสติลงที่จิตมีเวลาเผลอได้เป็นความพินิจพิจาครณาไตรขวนนี้ก็ลงใจเลยทีนี่ยเอาละคราวนี้จะเอาคำบริกรรมติดกับจิตแล้วสติติดแนบเข้าไปไม่ยอมไม่เผลอ อ้ามันจะเจริญไปยังไงให้เจริญจะเสื่อมไปไหนให้เสื่อมเราไม่เป็นอารมณ์กับความเสื่อมและความเจริญของใจแต่เราจะสนใจกับคําว่าคําบุรีกรรมแต่เราชอบคําบุรีกรรมคือพูดโทเราจะเอาคําบุรีกรรมติดคําบุรีกรรมกับสติเนี่ยสติติดแนบกับคําบุรีกรรมคําบุรีกรรมติดแนบกับใจนี้โดยท่ายเดียวโดยไม่ให้เผลอ มันจะเสื่อมไปทางไหนให้รู้ข่าวนี้แหละว่าพี่ชนาทบทวนลงไปเรียบร้อยลงกันละที่นี่เป็นอันว่าเราจะต้องบริกรรมมีคำบริกรรมติดกับใจของเราและมีสติติดแนบอยู่กับใจไม่ยอมให้เผลอไม่กําหนดวันคืนปีเดือนจนก ว, ว่าเหตุการณ์มันจะคลี่คลายออกแบบไหนควรเผอแบบไหนไม่เผอแบบไหนนั่นน่ะ เราจะปฏิบัติตามเหตุการณ์นี้ต่อไปแต่ในระยะนี้จะไม่สติเผลอไปนันงขาด <c oughs> ในระยะที่ตั้งรากตั้งฐานเบื้องต้นจนกว่าจะเห็นผลของการบุริกรรมด้วยสตินี้อย่างชัดเจนแเจงแล้วการเปลี่ยนแปลงอะไรค่อยพิจารณาตามเหตุการ์ทีนี้ลงใจเอาละทีนี้เราจะเอาคำบุริกรรมคือพุโทโธพุโทโธนี้ติดกับใจ จะไม่ยอมไม่เผลอด้วยสติของเราตั้งพอนี่แต่นิสัยเราเราพูดได้ชัดเจนได้ว่านิสัยนี่กิ่งจังมากนะพอลงตัวแล้วเชนี้ก็ลงละที่นี่เหมือนกับว่านังมัวจะต่อยกันพอระครังดังเป่งทั้งนั้นนังมัวก็ซัดกันเลยอันนี้ลงใจเรียบร้อยแล้วเอาละที่นี่นะจะเผลอไปไม่ได้แล้วมันะ คำบริกรรมคือพุทโธติดปั๊บสติติดปั๊บเลยที่นี่ไม่ยอมเผลอไปไหนเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ให้เผลอเลยแม้ขณะเดียวไม่ยอมไม่เผลอทุกมากไหมเรื่องทุกมากที่สุดคือบังคับติดด้วยสตินี่แหละคือการประกอบความเพียรด้วยการบังคับบัญชาจริงๆไม่ยอมไม่เผลอเลยเอาทั้งวันอยู่อย่างนั้น วันแรกนี่เหมือนอกจะแตกเนี่ยที่ได้พูดให้ฟังชัดเจนว่า <c oughs> สังขารคือความชิดความปรุงออกจาก <c oughs> อันนั้นแหละที่ว่าเป็นสมุทยัยออกจากอวิชาอวิชาปัจญญาสร้างคาลอวิชาหนุนใจออกมาหนุนสังขารออกมาให้ชิดในปรุงทางสังขารก็อยากชิดอยากปรุงทางคำบริกรรมก็บริกรรมไม่ถอย สติก็ติดแนบไม่ยอมไม่เผลอทางนั้นก็ดันขึ้นมาอยากชี้อยากปรุงทั้งนี้ก็บังคับกันไปเหมือนกับว่ามีช่องเดียวช่องนี้ตะก่อนสังขารมันเคยเกิดมันเคยออกช่องนี้ช่องนี้คราวนี้เอาธรรมะคือพุทธโธไปอุดช่องสติตีกาเข้าไปนั้นเลยไม่ยอมให้ออกเอาสาติรำกับคำมิกรรมปิดช่องที่สังขารเคยเกิดขึ้นมา เคปรุงขึ้นมาตลอดทั้งวันวันนั้นเหมือนอกจะแตกนะนี่ชัดใจเยนมากเพราะเจ้าของทมเองคือมันดันมันอยากชิดอยากปรุงดันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ชิดให้มีแต่คำคำปรุงความปรุงก็คือเป็นความปรุงได้แก่งานของธทมไปเสียคือพูดโถพูดโธเรียกว่างานของธรมความชิดความปรุง ของกิเลสสมุทัยเป็นเรื่องของมันไปล้วนความคิดปรุงทางด้านธรรมะก็ได้แก่พุโทโธปิดช่องสติติดแนบอยู่นั้นวันแรกเมื่อนโนกจะแตกหรือไม่ยอมให้คิดไปเลยเนีย่เอากันถึงขนาดนั้นนะ่ะไม่ยอมให้คิดออกมาได้เลยมีแต่คำบริกรรมกับสติติดกันตลอดวันนั้นยอมรับว่าเมื่อนโนกจะแตกแต่ไม่ยอมเผลอ <c oughs> จนกระทั่งหลับ ตื่นขึ้นมาซัดกันอีกแบบเดียวกันเองพอวันที่สองรู้สึกว่าค่อยเบาลงหน่อยความคิดความปรุงไม่รุนแรงเหมือนอย่างวันแรกวันที่สามนี่ไม่เผอทั้งนั้นนะเนี่ยไม่เผอเลยไม่ยอมให้เผอเลยวันที่สามลงไปค่อยเบาลงเบาลงความคิดความปรุงทีดดันออกมาเพื่อจะคิดจะปรุงตามความเคยชินของมันในแก่สังขารสมุทย แล้วค่อยเบาลงทั้งนี้ก็หนักเข้าเรื่อยเห็นว่าได้ผลเอาเบาลงเบาลงจิตค่อยมีความสงบเย็นเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปสติแนบแน่นอยู่ตลอดเวลาพุโทโธติดจับนั่นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นลงไปเย็นลงไปทีนี่พอถึงที่ของจิตที่จะโปรงวางได้แล้วเป็นระยะระยะจิตก็สงบเข้าไปนั่น บริกรรมพุทธโธพุทธโธติดตามไปเลยไปถึงขั้นที่กิจเข้าสู่ความสงบแล้วบริกรรมพุทโธไม่ได้เลยหมดปรุงพุทโธปรุงอะไรก็ไม่ออกเลยนี่เรียกว่ากิจเข้าสู่ความสงบแล้วทีแรกเราก็ชักงงมันกันถึงงงก็ไม่ยอมไม่เผลอเฮ้ยทำไมเราบริกรรมคาพุทธโธพุทธโธมาขนาดนี้แล้วทำทำไมวันนี้อะทไมจึงบริกรรมไม่ออก นึกบริกรรมยังไงก็ไม่ปรากฏแล้วทำยังไงที่นี่ก็ตัดสินกันในขณะนั้นเลยเอาบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมให้สติจับอยู่กับจิตที่ละเอียดสุดเวลานั้นมันจิที่พาคตัวให้จับสติเอาสติจับไว้ตรงนั้นแทนคำว่าพุทโธพุทโธจ่ออยู่นั่นนี่พอได้จังหวะแล้ว <c oughs> จิตก็ค่อยคลีคลายออกมาวมันถอนออกมาเหมือนเด็กตื่นนอน พอคลี่คลายออกมาแล้วพอระลึกคําบริกรรมได้แล้วเอาคําบริกรรมเข้าไปปั๊บปากฏปรากฏ ก, กับบริกรรมต่อเลยเอานั่นจิตที่สงบนานอยู่นะปรุงไม่ได้เลยนี่เรียกว่าสงบแล้วนั่นผลแห่งการไม่เผลอสติ <c oughs> ด้วยคําบริกรรมภาวนาในเบื้องต้นที่เราภาวนาซึ่งยังไม่ได้หลักในฐานจําให้ดี นักปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> นี่ได้เป็นพยานเป็นอย่างดีแล้วพราอจากนั้นมาก็พอบริกรรมไปเรื่อยๆไม่ถอยนะเผลอไม่ให้เผลอเลย <c oughs> จนกว่าเหตุผลกนไกลที่จะควรเผลอได้เมื่อไรมันก็จะเป็นไปเองแต่ะยา น, นี้จะเผลอไปไม่ได้มีแต่ไม่เผลอไม่เผลอตลอดเลยนี่จีก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วก็ลงสงบอย่างว่านั่นนี่ยพอเข้าสู่ความสงบบริกรรม พูดโทไม่ได้เลยเอาไม่ได้ก็อยู่นั้นปฏิบัติตามเดิมที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรื่อยๆเื่อยจิตก็ค่อยก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปแน่นามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรื่อ ย, อยทีนี้พอถึงทั้นที่ว่าเคยเคยเสื่อมเคยเสื่อมถึงนี่แล้วเอา้า <c oughs> อยากเสื่อมให้เสื่อมไปเคยความเสื่อมความเจริญ น, นี่เราได้รับกองทุกจากมั่นพอแล้วถึงจะ ไม่ให้เสื่อมเท่าไร่มันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากเจริญเท่าไหร่มันก็ไม่เจริญคราวนี้ปล่อยทั้งความเสื่อมความเจริญแต่คําว่าพุทโธเป็นกรรมบริกรรมกับสตินี้จะไม่ยอมปล่อยเอาอย่างนั้นตลอดแล้วต่อไปมันเข้าสู่ความละเอียดแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนกันบริกรรมไม่ออกเป็นลําดับลาดาไปที่นี่จิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วควรที่จะเสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมกันหน่นกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยจึงแน่ใจว่า กิตนี้ขาดกรรมบุิกรรมและขาดสติสติเผลอไปในระยะใด ร, ระยะหนึ่งจนได้กิตของเราจึงเสื่อมได้ตั้งปีหนึ่งกับห้าเดือนคราวนี้ไม่เสื่อมมันแน่ใจเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นามันคงขึ้นไประดับเรื่องสติหนุนตลอดจนกระทั่งกิจข้าวข้าสู่สมาธิแน่นามันคงเปังเงเลยทีนี้ปังก็ไม่ถอยเพราะมันเข็ดลาปล้ว นี่ถ้าว่าจิตของเราเสื่อมเหล่านี้เราต้องตายนั่นมันก็วิ่งใส่พระโคดจีกัดแล้สิเพราะเขตลาบเหลือประมาณเรื่องแบกกองทุกเวลาจิตเสือมนี่ทุกมากที่สุดนะอย่างที่เคยพูดให้ฟังเขามีเงินมีทองอาอาชาวไร่ชา ว, ชวน า, วนามีเก้าบาทที่บาทเขาไม่ได้ทุกนะเศรษฐีที่ล่มจมด้วยเหตุการใดอันใดอันหนึ่งเท่านั้น เรเงินแม้จะเหลืออยู่ในคลังหรือในบ้านเป็นแสนแสนก็ไม่มีความหมายอันนี้ก็มันกันรกีดของเราไม่มีความหมายทั้งนั้นเป็นถูกมากที่สุดผิดเสื่อมทุกมากที่สุดผมไม่ลืมเลยเพราะฉะนั้นพอก้าวขึ้นข้านี้แล้วผูกขาดกันเลยเจ้าอ้าวถ้ากิตเรายังเสื่อมข้านี้แล้วเราต้องตายแป้นอื่นไปไม่ได้เราทนทุกกับความ เสื่อม จ, จเริ่องของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วคราวนี้จะเสื่อมไปได้ตั้งหลักได้แล้วที่นี้ยิ่งหมุนจี้จีเลยเคล็ดหลับหมุนกันเข้าหมุนกันเข้านี่แหละการมันตั้งใจเป็นอย่างนี้จากนั้นกับมันก็เป็นเรื่องพิเศษไปฟาจะนั่งหามรุ่งหามค่ําไปเลยนะตลอดรุ่งตลอดรุ่งตั้งแต่ยังไม่มืดบางคืนจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาเก้าคืนสิบคืนแต่แต่ไม่ได้ติดกันทุกคืน เว้นสองขื่นบ้างสามขื่นบ้างเอาจิตจนสง่า ง, งามขึ้นแล้วออกอุทาในตัวเองว่าทีนี้จิตไม่เสื่อมไม่เสื่อมเลยเห็นกองอัศจรรย์แล้วนี่ถึงไม่เสื่อมก็ก็ไม่นอนใจบางทับคนอยู่ตลอเวลานี่แหละเรื่องการเอาจริงเอาจังเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาอนี่จริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงนะเช่นว่าว่าตั้งสตินี้ก็บอกว่าเอานาที่นี่มา เหมือนกับว่าราักกังดังเป่ง น, นั่นหลักฟัดกันแล้วนะ่ะไม่ยอไม่เผลอเลยเอาจริงเอาจังก็ได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาดังที่มาเล่าให้ฟังเรื่องติตอเรื่องกิเลสเป็นสิ่งสำคัญมากนะ <c oughs> ถ้ามีอวายวิธีการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเก่งขนาดไหนก็สู้ทำไม่ได้นี่แหละให้ติเป็นสำคัญนะการตั้งรากฐานในเบื้องตน้นจิตก็เป็นสาคัญแล้วจิตมี กสมาธิคือความสงบเย็นใจลงไปลงไปแล้วสติก็ติดแนบติดแนบสตินี้เผอไม่ได้นะจิตมีความแน่หนามันโกงเรียกว่าใจอิ่มอารมณ์ก่อนมันหิวโหยอยากชิดนั่นชิดนี่เรียกว่าจิตหิวโหยในวอารมณ์เราจะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ใดมุมใดก็ตามมันทะเลทลายไปตามอารมณ์ของมันนั้นเสียมันไม่ทางานให้ ทีนี้เมื่อกิตอิ่มอารมณ์ด้วยสมาธิแล้วพาทางานอะไรมันก็ทําทําไม่ตามนั้นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลำดับลำดาไปนี่แหละเมื่อจิตสงบเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นาจิตที่อิ่มอารมณ์นี่แหละพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขัน <c oughs> สกุลากายทั้งเขาทั้งยาวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้ ง, งมุลคนท่อแดนโลกธาตุพิจารณาแยกออก ทั้งส่วนอนิจจังทุกขังอนัตตาความแปรปรวนของสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายสุภาอสุภาะความสวยงามไม่สวยงามดูธาตุของดูร่างกายของเราดูร่างกายของไครของไกก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีใครยิ่งย่อนกว่ากันเรื่องอสุภาอสุพังทั้งหญิงทั้งชายเป็นแบบเดียวกันหมดเอามาพิจารณานี่นี่เรียกว่าสนามรบกิเลสตัญหามีราคะเป็นสาคัญ อาจูภาสุพังเอาลงให้หนักให้หนกเรียกว่าเยี่ยมป่าช้าผีดิบอยู่ในตัวของเราแล้วพิจารณาดูรูปใดขันใดก็ตามให้พิจารณาแบบเดียวกันนี้ให้เน้นหนักต่างเรื่องอสุภภาสุพังเมื่อจิตมีความสงบแล้วให้ออกทางด้านปัญญาญานอนอยู่เฉ ย, ยๆกับกับสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสนะสมาธิคือความตี ตะล่อมกิเลสที่ความฟุ้งซ่านวุ่หวายทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบสังหานี้เมื่อจิตมีความสงบแล้วเรียกว่าอิมอารมณ์แล้วเอาจิตที่อิมอารมณ์นี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาแยกาธาตุแยกขันเยสาโลมานขาทันตาตะโตนี่คืองานของเราผู้ที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากทุกเป็นงานที่สำคัญมากเราถนัดในงานใด เยสาหรือโลมานะาขาทันตาตะโจตาโจคือหนังหุ้มห่อเอาไว้คนเราจึงพอดูได้นะหนังหุ้มห่อก็มีผิวหนังบางๆหุ้มห่อหลอกเอาไว้น่ะว่าสวยว่างามภายในเป็นอย่างเดียวกันหมดนี่ปัญญาดูๆอย่างนี้นะถ้าตาเนื้อดูดูผิวผิวเผินๆ เ, เห็นแต่ผิวหนังก็เป็นบ้ากันไปเลย ผิวหนังทั้งหญิงทั้งชายก็เป็นบ้ามันก็มีผิวหนังมันกันบางๆเท่ า, าทนั้นแหละหลอกคนโง่หลอกได้ง่ายมากทีเดียวทีนี้ปัญญาทะลุเข้าไปจากผิวหนังเข้าไปเปไน็นอะไรเป็นเนื้อเอามันแดงโลเป็นหนังหนังก็แดงโลเนื้อเอ็นกระดูกจับไตไส้ผูงแยกธาตุแยกขัน พิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนออกเป็นของปฏิกุคุณสโสขคกแล้วแต่อุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติทางด้านปัญญาจะมีสติปัญญาพิจารณาพลิกแพลงหลายสารพันข่มเพื่อรู้เหตุผลกลไกลนี้แล้วจิตจะถอนจากอุปาทานออกมาเป็นลำดับลำดับอัุภาพจำนี้ํำนานเท่าไหร่ผู้นี้ใกล้ต่อความพ้นถูกละอสุภาสุภให้หนักนะ เวลาจิตสงบแล้วให้ผีนาทางด้านปัญญาเมื่อก้าวเดินปัญญาเหน็ดเหนื่อยเมื่อลารู้สึกไปในะจิตใจแล้วให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิอย่าเสียดายปัญญาเวลาเข้าสู่สมาธิให้สนใจจะเข้าสู่สมาธิคือภักงานจิตใจไม่ต้องชิดต้องปรุงเพราะว่าปัญญาก็ใช้สังขารคือความชิดปรุงทีนี้ถอนตัวเข้ามาสู่สมาธิ เมื Normally, to to sort of honey, ่อสมาธิแล้วสงบแนวอันเดียวเท่านั้นเมื่อสงบลงไปแล้วจะมีกำลังวางชากระปพี้กระเป๋าจิตใจรู้สึกอิ่มเอิบภายในจิตใจนี่แหละจิตเข้ามาสู่สมาธิพักงานทางด้านปัญญาไม่ทำเวลานี้ให้ให้อยู่กับสมาธิจริงจังกับสมาธิอย่ามาก้าเข้ากันในการปฏิบัติเอาสมาธิเอาลงให้ได้นั่น พอจิตมีความสงบเย็นสบายเลยมันก็รู้เองในตัวเองพอจิตถอนขึ้นมาเลยนะออกทางด้านปัญญาเหมือนกับว่ามีดแล้รับหินเรียบร้อยแล้วฟันอะไรๆขาดสะบัน้นสะบั้นไปเลยนี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละแต่แล้รับหินเรียบร้อยแล้วขาดสะบั้นลงไปนี่แหละก <c oughs> ารพิจารณาทางด้านปัญญา นักปฏิวัติทั้งหลายจำให้ดีนะที่สอนนี่สอนอย่างไม่อันจำํำเราไม่สงสัยเอาจับให้ดีพิจนารณาเรื่องร่างกายนี้เอาให้หนักนะยาอย่าเบานะร่างกายอสุภาสุพังไปที่ไหนพิจนารณาเวลา ม, <c oughs> มีความชานิชำนาญแล้วตัวของเราทั้งหมดนี่มันเป็นป่าช้าผีดิบเป็นกองอาสุภาสุพังเต็มไปหมดในตัวของเราจิตผู้รูู้อยู่นั้นปัญญารู้อยู่นั้น ต่อสองมองทะลุอยู่นั้นค่อยขีย้กายออกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความสวยความงามมันจะถอนตัวออกมาเพราะอํานาจแห่งอสุภะอาสุพังความโสโครกสมมทับหัวมันลงไปความสวยงามจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เราพิจารณาอย่างนี้และพิจารณาพอเ <c oughs> หน็ดเหนื่อยเมื่อลาแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิคือเวลาพิจารณามันเพลินจริงๆนะปัญญาน่ะเวลาเพลินมันมันเห็นว่าสมาธิ ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนตายเฉยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะต้องต้องพักเวลาเหนื่อยเมื่อลไาแล้วให้ย้อนกข้ามาสู่สมาธิเพราะสมาธิเป็นสถานที่พักงานของจิตให้อยู่นั่นอย่าทำงานจางสมกำลังไว้ให้ดีด้วยสมาธิพอสมาธิมีกำลังเยียบ้อยแล้วจิตก็ถอยออกมาทีนี้พิจารณาเรื่อง ด้วยทางด้านปัญญาอาซุพ้าสุปังเอาให้แหลก ล, ละเลอียดแหลกละเอียดไปที่ไหนตัวเองเมื่อชำนาญแล้วทางด้านปัญญาเดินไปนี่ตัวเองก็เป็นปรชาช้าผีดิบมองไปหาผู้ใดผู้ใดหญิงชายเป็นปรชาช้าผีดิบไปรื่อยด้วยกันด้วยกันนะแล้วแต่จะเด่นทางไหนมากนะการปัญญาเช่นเห็นโครงกระดูกไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกของเราโครงกระดูกของเขา เห็นเนื้อแดงโล่มองไปไหนก็แดงโล่เหมือนกันนี่เป็นความจำนาญตามผลิตนิสัยพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้เอาให้เอาให้จำนี้จำนาญ <c oughs> เรื่องอสุภาษุผังยาปล่อยวางพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดนาไม่รับเที่ยวคาดนาะเอาดูมูลคาดมูลไถละเอียดดอสมควรที่จะปักดำได้แล้วก็ปักดำอันนี้การพิจารณานี้ ให้ละเอียดต่อค่องแทล่วล่องไวใบพิปัญญาทันกันทันกันแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนสภาพของมันไปเองเรื่องความรู้ความเห็นในสกุลละกายนี้มันจะกลายเป็นปราชาภิดิษทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุประกาศกังวานขึ้นที่ใจว่าปราชาภิดิษไม่สงสัยแล้วติดอะไรล่ะนั่นพิจารณาสี่ก็มองไปที่ไหนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิตก็ถอนอุปทานความยืนมั่นเข้ามาเข้ามา <c oughs> เรื่องอสุภาสุพังนี่ผู้พิจารณาชำนี่ชำนาญแล้วเรียกว่าทำได้อย่างใจหวังตั้งขึ้นมาเลยเอาให้กระจายลงไปให้พังทลายเวลานั้นก็ได้ก็ได้ตามใจหมังแล้วให้เอาอสุภาเข้ามาตั้งกงหน้าไม่ทำลายนี่แเอาทดสอบราคาตันหาจะรู้กันจุดนี้วันนี้เปิดให้ชัดเจนเรื่องอสุภ า, ส, ภาสุภังไม่ใช่ราคาตันหาแน่นั่นอืม เป็นเครื่องหลอกให้ลักให้ชังแล้วเอาพิจนามากๆขอแล้วมันก็มีตั้งแต่อูฟ้าสว่างแล้วเอามัดตั้งกรงหน้าเอาเพ่งดูนี่เวลาทดสอบจะหาตัวราคาแท้มันอยู่ที่ไหนทดสอบดูมันตั้งเอาชูฟ้าไว้ยังงั้นไม่ทำลายเอาตั้งไว้เฉยเพ่งดูเอาเพ่งดูไม่กำหนดกฎเกณฑ์นะเอาเพ่งดูมันจะ เคลื่อนไหวไปไหนดูไม่บังคับให้เคลื่อนนะอย่าไปบังคับเวลานั้นเอามาตั้งไว้ต่อหน้าด้วยความจำนานของอุชุภะเราพิจารณาเต็มที่แล้วอยากพังเมื่อไหร่พังทันทีนะเวลานั้นไม่ให้พังไม่ทำลายให้ตั้งไว้ตรงหน้าเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องตัดสินราคาตันหางตัวเจ้าตัดสินที่ตรงนี้นะวันนี้เปิดให้พังชชัเจียพิจารณานี้เต็มที่แล้วนะ เมื่ออันนี้มันมันเต็มที่แล้วมันควรแกการแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจของตัวเองนี่วันนี้บอกซะบ้างนะเออคือเวลามันเต็มที่แล้วกําหนดดูนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาเองหดเข้ามาย่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามากองอสุภาษทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าแล้วนั่นน่ะจิตนี่แหละค่อยคืนเข้ามาคืนเข้ามาเป็นธรรมชาติเข้ามาเองแล้วเข้ามา เป็นจิตเสียงเป็นกองอสุภานั้นไม่ใช่อสชุภานั้นเป็นอสุภานั้นจิตเสียงเป็นอาชุภาเมื่อชัดเจนแล้วมันก็สลัดอสุภุพานั้นทันทีอสุภาภายนอกตัวนี้เองเป็นตัวอาุภาที่นี้ก็ตั้งภาพอันนั้นไว้ฝึกซ้อมจิตใจแล้วนี่เป็นฐานเบื้องต้นในการรู้เงื่อนของอาชุพาและอสุภาและราคาตัญหาจะตัดสินกันลงที่ตรงนี้วิจารณ์ เอาอันนั้นแหะที่นี้ฝึกซ้อมให้จำนี้จานานพอมันเข้านี้แล้วเราจะเข้าใจทันทีอ๋อราคาตันหาจริงๆไม่ได้อยู่อสุภะมันอยู่ที่ใจเรานั่นพอเข้ามาถึงที่นี้อสุภะกับจิตเองไปเป็นตัวอสุภะราคาตันหาไปกําหนดยินดีก็ตัวนี้ยังไปกําหนัดยินดีเมื่ออสุภะตันหามาเข้าเป็นจิตราคาตันหาอยู่กับจิตแล้วกิเลสก็อยู่กับจิตมันก็เลยพุ่งกันกับนี้เลยอืแล้วก็เอาอนนั้นแหละฝึกซ้อมตัวเองนี่เราพูดให้ ฟังเพียงเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะไม่พิจารณามากนะฝ่ายปฏิบัติจําให้ดีนะข้อนี้เอาเอาสุภาสุภาให้ชํานาญอย่างที่ว่านี่นะยาสักแต่ว่าพิจารณาแล้วพิจารณาแล่าเฉยๆไม่เกิดประโยชน์นะไม่มีหลักมีเกณฑ์เอาให้เห็นจริงจังอย่างนี้นะเอาเมื่อได้เห็นจริงจังนี้จะเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองอืมแล้วหมุนก็ามาหมุนก็ามาเข้ามาถึง ถึงใจใจเป็นอสุภาเสงใจเป็นราคะตัณหาไมไ่มีอะไรเป็นที่อันนั้นมันก็ปัดอันนั้นเลยจันทีนี่เข้าใจแล้วนั่นราคะตัณหาจะขาดแล้วได้หลักเกณฑ์แล้วนี่ถ้าเป็น <c oughs> <c oughs> เนยากอย่างพวกเรานี่ต้องฝึกซ้อมนะพิจารณาเอาวะนะัอสุภาะนะตั้งปุ๊บออกไปแล้วมันจะหมุนเข้ามาตามเดิมตั้งปุ๊บลงนั่นแล้ว แทนที่จะอยู่นั้นมันจะหมุนเข้ามาหัวใจตามเดิมตามเดิมแล้วชนานาญเข้าชนานาญเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าต่อไปก็ค่อยหมดไปหมดไปเลยพอตั้งปุ๊บนี่มันไม่ได้พิจารณาอะไรละมันจะกลนเข้าไปในใจภายในใจมากรองอยู่ที่ใจใจนี่ชนานาญเข้าไปมากแล้วพอตั้งขึ้นมาแล้วมันกลืนทันทีกลืนทันทีใจกลืนทันทีที่สุดท้ายหมดหมดจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องความว่างเปล่าของจิต จะพิจารณาสุภาสุภาพได้ยังไงตั้งพระมันดับพร้อมดับพร้อมจะไปแยกธาตุแยกขันได้ยังไงนี่เป็นขั้นขั้นอย่างนี้การพิจารณาตัวนี้ตัวสัมพันธมากจึงต้องพิจารณาพอได้อันนี้แล้วจะได้ลากในฐานต่อไปไม่ต้องอธิบายต่อไปมันจะมีทางเดินต่อไปอันนี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องดีงามผู้เข้าใจในเรื่องราคาตัณหาสุภาสุภสังนี้แล้วเป็นทางเดินตลอดจะไม่หมุนลงที่นี้มีแต่หมุนครึ่ง เพราะฉะนั้นท่านผู้สำเร็จอนาคามีคือสิ้นราคาตัณหารเรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนขึ้นหมุนขึ้นสิ้นที่แรกยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ก็ตายแล้วไปเกิดอวิหาแล้วเลื่อนไปอัตปาสุสสาสุาสีกนิฐานนี่สุทธาวาสหชั้นในมหาในในชั้นพรมโลกนะนี่เป็นชั้นเป็นที่อยู่ของพระอานาคามี ผู้จะไม่กลับมากเกิดอีกแต่มีหยาบกลางละเอียดนี่นี่เป็นลำดับนี่หมายถึงเราพูดที่ถูไถไปมาธรรมดาเนยยะแต่ท่านพูดที่เป็นชิปปาพิญญาเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอามาแบบเดียวกันไม่ได้นะนี่อธิบายให้ฟังส่วนมากจะอยู่ในเนยยะนี่แหละถูไถไปมาเอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมปิดมันจะลเอีเข้าไปแหมุนขึ้นเรื่อย แลวอวิหรตะปามันอยู่ในจิตนั่นแหละมันจะก้าวไปเองก้าวไปเอง <c oughs> จนจนถึงอากาิิฐาเสร็จแล้วพุ่งนิพพานเลยหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละที่นี่เรียกว่าสิ้นแล้วสิ้นทุกถึงนิพพานเนี่ยผูติตังพมจรยยังกระตังกรณียังเสร็จพมจันย์ได้อยู่จบแล้วเสร็จจิตในพุทธศาสนาคือการแก้กิเลสฆ่ากิเลส ซึ่งเป็นงานที่หนักมากที่สุดเนี่สิ้นสุดลงไปแล้วนี่กระตังกรอย่างงานที่ควรจะทําได้ทําสําเร็จลงไปแล้วงานที่ควรจะทําคืองานถอดถอนพิเรนนั่นแหละได้ทําเสร็จที่ลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าหมดการหมดงานทําเหล่านี้ที่กล่าวมาตานีท่านท้าวจะไปหามองดูนู้นดูนี่นะดูสถานที่นั่นที่นี่เช่นพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ทางโน้นทางนี้มาอะไร เท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาสองสองพันสามพันปีนั่นนะนั่นเป็นมืดกับแจ้งเป็นการเป็นเวลาใจกิเลสจริงจริงมันอยู่หัวใจของเราทําแก้กิเลสอยู่กับใจของเราให้มาแก้กันตรงนี้นะอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับ ก, บการสถานที่เวลาเวลากิเลสอยู่กับหัวใจให้แก้กิเลสอย่างที่อุไวที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงนี้ <c oughs> ทําวินยัยคือศาสรดาของเราทั้งหลายที่พระเจ้าทรงมอบไปแล้ว ว่าทำและ ว, วินัยนั่นแหละจะเป็นศาสาของเธอทั้งหลายแทนเราสถาโคเมื่อเราล่วงไป <c oughs> เมื่อเราล่วงไปแล้วนี่บอกว่าศ า, ศาสดาของเราคืออะไรคือธรรมคือวินยัยเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ใกล้ชิดติดผันกับธรรมกับวินยัยซึ่งเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกความเคลื่อนไหวของตัวเรานี่ถ้าห่างเหินจากนี้แล้วก็ไม่มีท่านะ เราจะว่าการนั้นสถานที่นี้จะเป็นมากเปลี่ยนผลไม่มีอะไรเป็นมากเปลี่ยนผลไม่มีอะไรเป็นกิเลสตัณหาและเป็นธรรมแก้กิเลสนะแปลงอยู่ที่หัวใจของเราเอาธรรมวินัยนี้เป็นเครื่องบูกเบิกทางเดินเพราะวินยัยท่านสอนไว่ายังไงอย่าข้ามเปินนะอย่าล่วงเกินเป็ทางถัดเพราะวินยัยท่านกั้นเอาไว้อย่าออกเป็สองภาคทางพอข้ามนีพปับลงเหวิวลงว่อแล้วถ้าข้ามเกินเพราะวินยัย หลงเหลงุงวัวแล้วทำก็ศรัท ธ, ธาวิญาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเอาหมุนก็ไหวความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี่นี่เนียกว่าทำก้าวทำให้ดีให้แน่นหนามันคงไปเรื่อยๆวินัยแน่นหนามันคงวินัยก็ศาสตราทำก็ศาสดาให้เราก้าวเดินวินัยก็ให้ถูกต้องแม่นยาเท่ากับตามพระเดชพระเจ้าด้วยพระวินัยที่สมบูรณ์ในหัวใจของเราทำก็ก้าวเดินด้วยความภาคความเพียรของเรา แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนก็ะทั่งถึงมูตุดพรจะนอกเหนือไปจากทำจากวิไนนี้ไม่เลยเลยท่านทั้งหลายอย่าไปมองพระพุทธเจ้าที่นู่นที่นี่มักผลิพานอยู่เดือนนั้นเดือนนี้สถานที่นั่นที่นี่ไมนมีจะมืนกับแจ้งกิเลสไม่มีมุ่นมีแจ้งแต่อยู่หัวใจเราธรรมก็ไม่มีมืดหรืแจ้งอยู่ที่หัวใจเช่นเดียวกันกิเลสคั้งพุทธกาลแต่ครั้งก่อนๆก็กิกเลสประเภทเดียวกันอืธรรมก็เป็น ทำประเภทเดียวกันแก้กันตกตกมาโดยลำดับดาทำเป็นเครื่องแก้กิเลสสังหาริเลเป็นลำดําดาทําไมมาอยู่กับเราจะคือจะลาสมัยไปท่านสมัยล้ายุคตั้งแต่กิเลสนั่นเหลยเอาพิจารณาณน้าปฏิบตัติต้องมีความเข้มข้นต่อการปฏิบัติของตนอย่าอ่อนแออย่าหวังสิ่งใดที่จะเป็นสาระสําคัญยิ่งกว่าศาสนาคือทํามมิัยนี้อยู่ในหัวใจของเราอันนี้ฝากเป็นฝากตายกับนี้เลยมากผลที่ผ่านจะจ้าขึ้นที่หัวใจของเรา ตามหลักธรรมวินัยที่ชี้บอกชี้บอกไปโดยลำดนาอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่ไกลที่ไหนนะมักผลิปัดอยู่ที่หลักธรรมหล่าวินัยเอาก้าไปตามนี้ก้าไปตามนี้ถึงนี่ผู้ปฏิบตัติต้องเอาจริงเอาจังอยา่ารอเลยทําอะไรให้จริงให้จังให้มีสติทุกอย่างถ้ามีสติแล้วงามตานะ่ะมีสติและปัญญาก็จะค่อยออกทียิบหยิบแยบแยบถ้า คนมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีสติและไม่เป็นท่านนะสติขาดเสอย่างเดียวแล้วเธอเธอไปหมดความเพียรก็ล้มเร็วถ้าสติยังดีอยู่เนี่ยตั้งแต่พื้นอย่างที่อธิบายให้เป็นแบบเป็นฉบับแล้วเนี่ยเลื่อยขึ้นไปสตินี่เกือกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงมหาติมหาปัญญาการก้าวเดินของ ความเพียรของกิจใจนี้จะเป็นละเอียดเป็นลาดับลำดาไปดังที่พูดว่าพอผ่านจากอรชูพัสสังนี้แล้วขาดตะวันไปแล้วยิต จ, จะเป็นฝึกซ้อมไปละเอียดรอแล้วจะว่างหรือเป็นอวกาศไปเลยเป็นสติปัญญาอัตนมัติพิจารณาเรื่องนามนธรรมที่เกิดกับจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วจะเกิดขึ้นจา ก, กจิตเรื่องอรชูพัสสัสงทุกขงังอนิจจนาตา เกี่ยวกับรูปนั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ราคะตัณหาขาดสะวันออกไปแล้วไม่มีมีตั้งแต่นามธรรมเนีย่ยแต่ว่าอันนี้จังก็ดี้หรืออนัตตากดีจะอยู่ในนามธรรมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดมาจากไหนตามเข้าไปตามเข้าไปก็ไปหาหลักใหญ่คืออวิชชานั่นแหละตามเข้าไปาไหลายครั้งหลงหงก็ไปถึงอวิชชานี่แหละการปริญณามันว่างไปหมดนะ พอหมดรูปธรรมนี่แล้วจิตใจจะว่างไปเป็นลำดับว่างเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดเข้าไปเอียเข้าไปแต่ยังไม่ว่างภายในเรียกว่าจิตว่างจิตว่างทีนี้พอถึงขั้นอวิชาถอนพูดเอาหมดเรียบร้อยแล้วนั่นว่างทั้งภายอนคือทั่วๆไปหมดจิตนี่ว่างไปหมดศูนย์ไปหมดว่างทั้งภายในคือกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งยังไม่ว่างทีแรก กิเลสขาดเจ้าบ้านเกลวิชาขาดเจ้าบ้านลงไปจิตก็ว่างภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในปล่อยหมดเรียกว่าเรียนโลกจบเรียนธรรมจบโลกนี้เรียนจบแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงทำเรียนจบแล้วเป็นธรรมธาตุบริสุทธิ์สุดส่วนหาที่จองตีไม่ได้เลย นี่ลากิจเมื่อได้รับการบําเพ็ญการอบรมรักษาอยู่บํารุงรักษาอยู่เสมอจะเป็นอย่างนี้ขอให้ภากันรั้งอกตั้งใจผมก็ไม่ค่อยมีเวลาจะแนะนําสั่งสอนพระเนินทั้งหลายเนื่องจากงานของผมนี่ยุงย่งมากยุ่งมากและท่าสขันก็ไม่ค่อยอย่างเป็นไปอย่างว่านะ่ะล้มลุกคลุกขานไปอย่างนั้นภากันรั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยกันให้ดูหัวใจตัวเอง เทียบกับหัวใจคนอื่นเป็นยังไงบ้างนี่ละอตามมันชิดยับออกไปถึงเรื่องที่เป็นความไม่ดีต่อผู้อื่นผู้ใดยกทอดยกการผู้ใดนี่คือเราเป็นมหาโจรสวนานี่เริ่มเปิดแล้วในหัวใจของเรามันจะลุกลามออกไปกระทุกกระเทือนผู้อื่นให้เสียหายไปตามกันโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเป็นผู้ก่อไฟเผาโขกตัวแล้วก็ไปเผาโขกคนอื่นให้จําไม่หีุตรงนี้ทุกคนดูกัน ดูด้วยความเมตตาสงสารดูด้วยความเป็นธรรมอย่าดูด้วยการเพงเ่งทอดเพียงก่อนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสดูกรรันด้วยความเป็นธรรมเมตตาสงสารให้อภัยซึ่ง ก, กันและกันนี่คือความเป็นธรรมอยู่แ้วกันได้ผาสุกด้มเย็นมาตลอดถ้าดูด้วยการเพงเ่งทอดเพียงก่อนมองเห็น ป, ปนั๊บเี ย, ยเพ่งทอดเพียงกอนไปแล้วมีแต่เรื่องกิเลสออกทำงานก่อนแล้วก็ตำหนิคนนั่นตำหนิคนนี้ตัวเองไม่ยอมตำหนิ ตัวเองไม่เห็นโทษตัวเองคนนี้ไปที่ไหนก่อไฟไปที่นั่นแหละไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสให้ดูหัวใจตัวมันเป็นอยู่นี่ <c oughs> แล้วจะมีความสมงบร่มเย็นไปการปฏิบัติธรมอยู่ด้วกันนี่นต้องได้เก็บความรู้สึกต้องเป็นผู้อดทนบางทีคือกิเลสมันดันออกมาอยากพูดอยากจาอยากดุอยากด่ า, กดาเขานั่นกิเลสมันดันออกมานี่เก็บความรู้สึกเก็บไว้ อย่าพูดจังกบปากปิดปากสิ่งไม่ควรพูดอย่าพูดสิ่งที่เป็นภัยออกจากปากเป็นภัยทันทีสิ่งที่เป็นคุณออกจากปากเป็นคุณเป็นธรรมทันทีให้รักษาตัวเองรักษาอย่างนี้ตั้งใจแบบพืชปฏิบั ต, ต <c oughs> ทิทุกคนทุกคนหัวใจมีด้วยกันหวางพึ่งตัวเองหวางพึ่งเราผู้บาเพ็ญด้วยกันนั้นแหละให้ <c oughs> พากันตั้ง อ, อกตั้งใจ นี่เข้าบรรษาแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปแล้วนั่นก็จะบินตวาดัดอางที่ตุง้งที่เคยดปฏิบัติมาทุกปีประชาชนทั้งหลายมีสตาเขามาใส่บาทตามที่ที่เขตที่ปากไว้แล้วเอาเื้อกําแพงเต่านี่เป็นเป็นบาฐานนี่ว่ารับมาถึงนั้นแล้วก็หยุดนี่แล้วอันนี้เป็นบาดฐานไปเลยพาขั้นบินตะบัด แล้วเราก็ใส่บาทมีเท่าไรก็เราก็ใส่ตามศรัทธาของเราถ้าท่านรับมาแล้วท่นก็ <c oughs> เป็นเรื่องของท่านเองเนี่ยนี่ข้อวัดปฏิบตัติประจำพระก็คือไม่รับที่เขาจะมาถึงวัดแล้วเขาใส่บาทเขาจะไหวทุรงข้อนี้ทารับขาดทุดงเนี่ยท่านไม่ใช่ยื้อยิงจอหของนะทุรงบังคับไว้ให้เป็นผู้มีความมักน้อย ได้มากเลยสะไรก็ตามเอาเพียงเท่านี้เท่านี้เพื่อจะดัดเจตัวมันโลภมากยินไม่พอนั่นเองตีลงมาทำมาจะได้ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่การปฏิบัติตนขั้งบุตการท่านหนักแน่นในการประกอบความภาคเปลี่ยนมากทีเดียวนะดูในตำราประกาศป้างๆอยู่ในตำรานี่ก็ได้เรียนมาพอประมาณจึงพูดได้ เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยตามกำลังของเราที่ศึกษารเรียนมาท่านเน้นหนักทางการแก้กิเลสทั้งนั้นนะประกอบความภาคเพียรไม่มีงานอะไรในพระสำหรับครังพุทธกาลมีตั้งแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเที่ยวอยู่ในปา่านั้นเขาลูกนี้ทานั้นเงื่อมผานี้อยู่ที่หาที่สงบสงัดโดยสายเดียวเท่านั้นเพื่ อ, ออัดเพื่อทำประกอบความภาคเพียร น, นี่ครั้งพุทธกาลเรื่อยมาเรื่อยมา ขั้นต่อมานี่กับกิเลสมันก็ยกทัพก็ามาทับเอาทับเอ า, เ, อาเรื่องการเรื่องงานเรื่องวัตถุต่างๆมากองอยู่ในวัดกองอยู่ในพระในเรืนไปหมดแล้วเวลานี้ทำภายในใจไม่ค่อยสนใจนะเออแล้วสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดนึสร้างวัดสร้างวาพออยู่ได้เท่านั้นเองประสานที่อยู่พออยู่ได้หลับนอนได้พอกระต๊อบกระแตบท่านบอกว่าลุกขโมย ในป่าในเขาดุกขมูงลต้มไม้นั่นพระเจ้าสอนไว้ที่เราอยู่กอเราเป็นคนไว้เหมือนสัตว์ก็มีที่มุงที่บางกระต๊อบกระแทบอยู่พออยู่ได้เท่านั้นพอขอให้ได้ประกอบความภาคเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เป็นที่เหมาะสมและถูกต้องตามจารีประเปณีของพระอริยะทั้งหลายสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้พาพาดําเนยมาอย่างนี้อย่าปล่อยอย่าวางความเพียรให้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้มีความเพียร เรื่องชําระกิเลสกิเลสจะขาดสะ บ, บั้นไปเช่นเดียวกับครั้งพุทธการกิเลสตัวใดไม่เหนือทําไปได้เลยทำนิปราบให้เรียบบุตรนี่จําให้ดีในในข้ อ, อนี้นะเรื่องการปฏิบัติยาวอ่อนข้อใครปฏิบัติยังไงการอดนอนผ่ออาหารให้เป็นตามจริตนิสัยของแต่ละลายละลายไปเช่นพ่ออาหารพ่อนไปยังไงภาวนาเป็นไงผ่อนอาหารอดอาหารภาวนาเป็นไ ง, น, น, งนี่ เราต้องสังเกตตัวเราเองอันนี้คนอื่นคนใดไปบังคับไม่ได้และคำอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าสําหรับผมเองเคยปฏิวัติมาอย่างนี้การผอร่อนอาหารมีในธรรมมีอยู่แล้วการอดอาหารนี่ท่านมีบอกไว้สองแยกคือถ้าอดเพื่อโอ้เพื่ออวดแล้วปราบอาวับทุกียาบดความเคลื่อนไหวถ้าก็คือหมายคก็ว่าไม่อดแต่ถ้าอดเพื่ออดัดเพื่อทำเพื่อความพาคภามเพียรอดเอถิดเจารัฐาคตอรอนุญาตนี่ มีข้อแง่มีแง่อยู่อย่างนี้ถ้าอดเพื่อโอ้เพื่ออวดแล้วปรับอวบไ ต, ติโทษตลอดเวลาทุกความเพื่อนไหวแต่ถ้าอดเพื่อประกอบความภาคเพียรแล้วโอดเถิดแล้วท้าคต อ, อนุญาตนั่นท่านว่าอย่างนั้นเรื่องผ่ออาหารก็เหมือนกันตามเป็นหนี้ใสของเราเราอดอาหารก็หนี้ผ่ออาหารก็หนี้เราไม่ได้ตัดสรู้เพื่ออดอาหารผ่อนหานะตัดสรู้ด้วยความเพียรของเราอันนี้เป็นเครื่องเครื่องหนุน ให้ประกอบความเพียรได้ความสะดวกสบายเราก็ประกอบความเพียรได้สะดวกสะวดวแก้กิเลสไปได้คล่องตัวคล่องตัวถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องการอยู่การกินนี้่ เ, เวลากินมากๆ ม, มันทับนะกินมากนอนมากที่เกียจมากนั่นราคาตัญหาก็เริ่มพองตัวขึ้นมาอยู่ในหัวใจนั่นแหละ <c oughs> มันไม่ได้ออกมาแสดงทางร่างกายนะมันยิบแยบขึ้นภายในใจสาหรับผู้จะฆากิเลส ต, ตัวสำคัญเหล่านี้แล้วท่านจะถือเป็นเหตุอันร้ายแรงมากวันย็บแบบคุณมานี้จะสะดุ้งทันทีแล้วแก้รีบแก้กันทันทีทนทีเพราะฉะนั้นจึงต้องหนวัดระวังเรื่องอาหารการบริโภคเรือการประกอบความเพียงเราก็สะดวกล้วพออาหารไปได้พอดีพอดีขนาดไหนเอายึดเอาเป็นหลักผู้อดอาหารก็ตามแต่ที่จะอดได้มากน้อยพี่นีพิจารณาตัวเองนะอันนี้เป็นเรื่องอัศยศัย ของเราที่จะใช้ความชเชี่ยวฉลาดร่อครอบทั้งหลายปฏิบัติความเพียรถ้าปฏิบัติไปเฉยทําไปเฉยไม่ได้นะไม่ได้เรื่องไม่ได้คิดด้วยสติปัญญาซะก่อนเดินจยกง ก, งกัดเดินไปย่างไงไม่ได้เรื่องได้แล้วไม่เห็นเหตุเห็นผลนะไม่มีอย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะต้องมีสติการทุกอย่างต้องมีสติปัญญารอบตัวอยู่ตลอดเวลาทดสอบ บวกลบคูณหารในตัวของเราอยู่เสมอนี่แหละผู้นี้ผู้จาก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้หลักธรรมวินัยสมุนแบบมรรคผลนิพพานสมุนแบบอยู่กับหลักธรรมแบบวินัยอย่าไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนให้เฉลยอ่าตามเฉลยพระพุทธเจ้าด้วยธรรมด้วยวินัยอันนี้แหละถึงที่สุดพุทธศาสนานคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเอาเก้าไปเดินไปไม่บกพ้องพุทธศาสนาของเรา เป็นศาสนาที่เลือดเลอือสูตรยอดแล้วนี่เราได้มาพบพุทธศาสนายิ่งมาบวชเป็นภาพนี่ด้วยแล้วก็ยิ่งเลือดเลอือเอาให้ยิ่งให้จังให้เห็นว่าผลนิพานพรโอ้ยเจ้าสอนไว้เพื่อเราทุกคนออืมรรคผลนิพานเอาไป้หว่ามรกผลยิพานเป็นศูนย์กลางใครมีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะเป็นไปตามความสามารถของตนนั้นแหละนี่แหละให้จําให้ดีสําหรับประชาชนญาติโยมก็ ให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเราจะมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับตนในข้อใดบ้างในสามเดือนนี้อย่าให้ผ่านไปหรือเปล่าไม่เกิดประโยชน์เช่นพู้ที่เคยให้ทานอืมอยู่แล้วมีขาดบ้างทําบ้างนี่เอาตั้งใจไว้เลยตั้งสจัจจะอธิษฐานไว้ไม่ให้ขาดแม้ไม่ได้ให้ทานวันหนึ่งได้ใส่บาตรองค์เดียวก็ยังดีไม่ขาดนั่นให้ปักไว้ เป็นหลักเป็นเกณฑ์รักษาศีลศีลอย่างไงเ อ, เ, อ เ, อเอารักษาเราจะเป็นผู้รักษาตัวของเรานี่รักษาศีลก็ศีลเป็นสวัสดิของเราคือรักษาตัวของเรานั่นเนี่ยนี่เอาให้ดีใครมีความละรวมอะไรอะไรการการไปพฤติตัวโกโลโกโสให้ดัดลงด้วยทำไม่มีทำดัดไม่ได้นะหิบหายต้องเอาทำไปดัดจันดานวันอเอเช่ใครกินเหล้าเมายาสุ 阿拉นาลีอะไรตัดขาดต้องไปขาดลงไปด้วยธรรมอย่างอื่นตัดไม่ได้นะ่ะถ้าเอาธรรมตัดนี้ขาดจะวั่นไปเลยการเนี่ยเพราะว่าการจดจํามันประกอบความภาคความเพียรเอาให้ดีทุกคนไม่ดูใจตัวเองใจคนอื่นกับใจของเรามันเหมือนกันนั่นแหละดูเขาดูเราเฉลี่ยความรู้ความเห็นเข้าหากันมองดูกันเอาความเพ่งโทษเพ่งกรไปดูเรามันเป็นนักโทษเดียวนะอย่างนั้นนะ่ะ ไปมองใครมีแต่นักโทษไปหาขโมยจ้องจ้องโทษคนนั่นโทษคนนี้ตัวขโมยใหญ่คนนี้หาสาระไม่ได้อยู่ที่ไหนขวางโลกทะเลาะว่แว้งกระโดดมาเมื่อทนไม่ไหวพูดแป้งแป้ ง, ป ง, ปงออกมาแล้วเอาละทะเลาะกันใช้ความสติปัญญาดูดูหัวใจตนเองหัวใจเขาดูไม่ควรไม่ควรว่าจะไปว่าดูแล้วให้อภัยกันอย่าไปดูแล้วไปดูถูกอย่ายามเขาดูด่าว่ากล่าวเขาอย่าใช่ไม่ได้นะ ดูแล้วการแนะนํากันด้วยความเมตตาสงสารชื่อว่าเป็นธรรมผู้ฟังก็ฟังโดยธรมยธรมยาถนอนตัวยาโอ้อวดความรู้วิชาทุกอย่างทุกอย่างมันความรู้วิชาของกิเลสความรู้วิชาของธรรมสอนลงไปหายยึดห้เกาะความรู้ของกิเลสนั้นสอนลงไปก็เป็นกิเลสไปไหวเขาไปมันก็เป็นกิเลสรับกันมาแล้วตัดกันเหมือนหมาใช่ไหมล่ะนะ พากันตั้งอกตั้งใจวันนี้ก็เห็นจะพูดเพียงเท่านี้แหละแล้วต่อไปให้พากาประกอบความภาคเพลี่ยนพาเนนเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้จริงให้จังนะการภาวนาดังที่พูดแล้วนี้ใครอยู่ในธรรมอะไรให้ตั้งสติทำความภาคเปลี่ยนนั้นให้ดีอย่าปล่อยสตินะสตินี้สําคัญมากเดียตั้งแต่พื้นพื้นจนเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่มีคาว่าจะคือจะลาสมัย เป็นความจําเป็นอย่างมากตลอดไปเลยท่านน่งอะเป็นมหาสติมหาปัญญาคือว่าแก่กล้าสามารถจนกลายเป็นมหามหาแปลว่าใหญ่อแก่กล้าสามารถขึ้นเป็นมหาสติมหาปัญญาสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถฆ้าฝ่ากิเลสตัววิชาปัญญาเนี่ยจะขาดสะบั้นออกไปด้วยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยตั้งแต่ตั้งไปซีแรกถึงขั้นนั้นแล้วขาดสะบั้นไปเลย นะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรการเทศนาว่าการนั้นผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเทศต่างสอนหมู่เพื่อนนะดูเอาเถิ ง, งานของผมยุ่งไปหมดท่าสขันก็ไม่อาํานวยแล้งานก็ภายนอกอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่ได้ว่างได้ว่างนะจองกระซังอินหนาละอาใจจะออกมาจากคุติจะไปดูการดูงานในวัดในว่าออกไปไหนไ ม, ไมันลุม่มเอาฟู่นี้ชัดชเจนพอเห็นหน้าแจะไม่ได้นั้วลุมก็มามันลําคาญนนะ เวลาเทศก็เทศให้ฟังทุกจิ่งตัวอย่างเห็นแล้วอยู่ที่ไหนก็ยกมือไหว้กับอยู่นั่นก็แล้วกันนี่ลุ้มก็มาลุ้มก็มาหลงตาหลงต า, งตาสันทราเนะี่ยอย่าว่างันเราเ น, นี่ยมันลำคาญไปที่ไหนลุง ล, ลุ้มหาอะไรดูใจหดตัวเองไหว้ท่นนั่งไหว้อยู่นั่นก็ได้เป็นอะไรไปไปลุ้มหาอะไรเนี่ยที่ให้ลำคาญ <c oughs> เวลาเทศก็เทศเต็มเม็ดเต็เมตน่อย ไปแล้วยังมาลุมอีกตามอยู่มันยุ่งกันะเบาๆนะมานะเขาไม่ได้มาฟังเทศนี่นะเนี่ยเล่นกับเขาก็ไม่เป็นไรเขามาลุมกับเราก็ไม่เป็นไรเพราะเวลาเทศเขาไม่ได้ฟังเขาก็เอาว่างๆเขาไม่เป็นไรไอ้คนนี้สิฟังเทศฟังธรรมอยู่ไม่แล้วพอมองเห็นที่ไหนแล้วลุมกันลุมกันหยิ่งบอกว่าล้ำคาญพูดให้ฟังชัดเจนอย่าลุมนะไปที่ไหนเราจะไปของเราเองเราไม่ให้ใครลุม เราไปด้วยเหตุด้วยผลของเราเรามีธุวร่ของเราอย่างไรเราไปวัดนี่อยู่ในความปกครองของเราต้องได้ดูแง่นั่นแงน่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้ออก ต, วตรวจตาพาที่อยู่ตลอดอะไรควรจะสั่งเสียอะไรต้องในสั่งเสียนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ออกไปอยู่เรื่อยๆดูนั่นดูนี่ไม่ใช่ออกไปเฉยๆอันแล้ววันนี้เทศเปลี่ยนตัวนี้ก็ เ, เห็นว่าจะพอสมควรแก้ เ, เวลามาขอความสวัสดี ต้องมีแก่มันดาท่านตางหลายโดยทั่วกันเธอเไปเหนื่อยเทศไปเหนื่อยไปเทศ ไ, ได้กี่นาทอฮะนสนาทีฮะหะะครับโทษได้ชั่วโมงนะวันนีเ้ชั่วโมงกับสามนาทีานวเทได่ามากนะเดี๋ยวนวเทได้ามากนะสามตระราไม่ได้มาก ลดลดเทศซอนพระแต่ก่อนนี้เราชั่วโมงกว่ากว่าตลอดแหละประมาณามชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมีเทศซอนพระร้อนๆชั่วโมงครึ่งวันต่อมาอยู่มันก็ลดลงลลงช่วงก็ตั้งทุกวันนี้ไม่เป็นคาเท่ได้สี่สิบนาทีสี่สิบกว่าหรือห้าสิบนาทีเท่านั้นนะวันนี้ในะชั่วโมงสามนาทีนวักเต่งมากนะ โอ้หลวงตาบัวมาเก่งบ้านแก่ไว้แล้วแท้เลยชั่วโมงสา ม, มาทีเก่งบ้านแก่ว่า